ฉะนั้นพอพูดถึงในเรื่องของแฟนโกศลกับแฟนโมโคตเนี่ยนะเดี๋ยวในรายละเอียดต่างๆนั้นเอามาก็ไม่ค่อยอยากชักประวัติศาสตร์พอเล่าไปเป็นภราะว่างการตื่นเต้นเอามาก็ชอบเอามาชอบเล่าพระธรรมมากกว่าเนาะเพราะในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ต้องต้องถ้าเรารู้เรารู้ความเป็นไปของประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีการต่อสู้กันทางด้านการเมืองนะต่อสู้กันทางด้านการเมือง มายุคของพระเจ้าชาติศัตรูด้วยแล้วเนี่ยโดยมากก็ก็กรณีอย่างการที่ว่าต้องการที่จะยึดครองก็ต่อสู้กันมาตามลําดับนะเออถ้าเราดูในบ้านปลายของพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยนะไปดูในพระสูตรที่กล่าวเข้าไว้เนี่ยนะถ้าสืบค้นในพระไตรปิฎกอัจฉริยหรือในชั้นของดีกาเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยสวรรคคต สวรรคตเมื่ออายุ80ปีแล้วพระเจ้าเสนธิโกสนเนี่ยมีอายุเท่ากับพระศาสดาก็คือสวรรคตก่อนพระศาสดาไม่นานแล้วต่อมาพระบรมศาสดาก็ปรินิพพานนั่นเองเเต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยมาก็ยังไม่นัแน่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องการสืบค้นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะตะเวดไปอีกเรื่องหนึ่งนะก็ ทีนี้ที่พูดถึงในเรื่องของอนันาโพนี่แหละเป็นต้นโพผ้านนที่บอกว่าต้นโพผ้านนเนี่ยก็เพราะผ้ า, านนนั้นทูลขอพระบรมขอทรงให้พระผู้ให้ภาคเจ้าทรงอนุญาตพระบรมศาสดาก็อนุญาตท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้ไปอัญเชิญพระสีมหาโพที่เป็นเมล็ดโพมาที่กำลังล่วงลงมาก็ใช้จีวรรับมาเลยหอะกลับมา พนามาเบสเร็จก็เป็นการใหญ่ที่พระเจ้าแผ่นดินมีพระเจ้าปเปอร์เสซนที่โกลสอนันตภพิทิกา์เศรษฐีนางมาวิสาขาหมหาวสิกาก็คือ ก, ก็คือมากันเต็มไปหมดนะี่เนี่ยก็ไปที่เนี่ยเชตวันนั่นแหละเพื่อไปทําพิธีในการที่ปลูกพระศรีมหาโพธิ์ทีนี้เขาไม่เรียกต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วเรียกอนันตโพธิ์แล้วแต่นี้ยเป็นต้นโพธิ์ผ่านนไปแต่ผู้ที่ปลูกจริงๆนั้นทีแรกจริงๆก็คือว่าพระเจ้าเปอร์เซนที่จะปลูก แต่พระเจ้าเปรตที่กลัวสก็บอกว่าอำนาจต้นเองนั้นไม่คงที่เพราะยิ่งการปลูกในฐานะของพระเจ้าแผ่นดินด้วยแล้วจะเป็นอันตรายต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าเกิดมีแฟงตนเองต้นเองมีล่มหายตายจากไปแล้วเนี่ยคนที่โกดชังตัวเองก็มีจะไม่เกลียดชังก็มีเมื่อสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเปรตที่กลัวส่วนทำไว้ดินนะัก็จะพากันตัดพากันโค่นอย่างนี้เป็นต้นก็เลยให้บุคคลที่ปลูกก็คือใครคืออนาถ เป็นที่กาศเศรษฐีเป็นผู้ปูกเมาชาไปเจอวิทยากรท่านหนึ่งบอกว่าพระวิทยาเป็นคนปลูกพระเจ้าอนุญาตแล้วต่อมานี่นะเมื่อปลูกเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยนะเมื่อทําการเนะี่ยที่จริงเขามีการบูชายอย่างใหญ่โตเลยนะทั้งหม้อเงินหม้อทองทั้งของหอมทั้งอะไรต่างๆนี่มากมายเพชรนิจินดาฝังบริเวณนั้นเต็มไปหมดเลยนะเนะี่ย ถ้านเหล่านั้นกระปูพรมกันเลยว่างั้นเดี๋ยวในการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้อยู่ต่อมาหลังจากที่ว่าดําเนินการทางนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะพระศาสดาก็ทรงอนุญาตเบ็ดเสร็จแล้วพระนรนก็ไปทูลเชิญให้พระผู้ระภาคเจ้านั้นให้เข้าสมาบัติให้ทรงใช้สอยให้ทรงบริโภคเหมือนสถานที่ที่พระศาสดาตรัสรู้ เช่นที่พระท่านวัชระอาจเจ็ดวันอนิมิสเจดีเจ็ดวันรัตนจงกรมเจดีเจ็ดวันรัตนคราเจดีเจ็ดวันอัชาปารนิโคดเจ็ดวันมุตเจริณสเจดีนี่เจ็ดวันราชายตนาเจ็ดวันคือจะให้ทรงใช้สอยอยู่กสมาบัติเนี่ยสองล้านสี่แสโกสมาบัติคือให้เสเถือนสะทานวันไหวเลยอะ ประเภทที่ว่าให้หมื่นจักราวาลไหวเลยว่ากันเถอะพระบรมศาสดาก็ห้ามดูก่อนอนะน้นถ้าต ถ, ถาคตถ้าต ถ, ถาคตทรงอยู่ในสมาบัติเหมือนสถานที่ตัสรู้สมาสมโพริยานจักราวาลอื่นก็ไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้นี่แปลว่าอะไร นั่นแปลว่าคุณของภะษาสดาถ้าเรารู้จักคุณของภาษาสดาเนี่ยที่พูดตอนที่ประสูตรเราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าภาษาสดาไม่ใช่อย่างที่เราคิดที่สุดจริงๆภาษาสดาก็ทรงใช้สอยแบบการอยู่ในสมาบัติที่เชตวันนี้ก็เป็นสมาบัติที่ไม่ใช่เป็นแบบตอนตัดสู้ ถามว่าสถานที่ตัดสลูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องที่ตรงนู้นถ้าเราดูในชั้นคําสอนดูในชั้นคําสอนของพระศาสดาเราก็จะเห็นชัดว่าเชตวันเนี่ยเป็นเป็นสถานที่พระบรมศา ส, าศสดาเจ็ดพระองค์ที่มีระบุไว้ในคำภีรชั้นของอัจฉริยว่าพระศาสดาเจ็พระองค์นี่ยรวมทั้งฤาษีที่เจ็ก็คือพระเจ้อ า, าองค์ปัจจุบันเนี่ยไม่ทรงล้าขาเตียงแปลว่าอะไร ไม่ทรงละที่จะมาบระทับที่นี่ถ้าเรามองงี้ก็เห็นชัดเลยว่าที่เชตวันเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราไม่ควรจะสืบค้นประวัติเพียงแค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นถ้าเราไปสืบค้นเฉพาะประวัติเฉพาะปัจจุบันนี้เท่านั้นเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราท่านทั้งหลายก็จะไม่แข็งแรงเยี่ยมะ ถ้าใ น, นเดียตการสมัยพระพุทธเจ้าพระวิปัสสีสัมมาสมัมพุทธเจ้าปูณภสัสสมิตะซึ่งเป็นเศรษฐีก็ปูราได้ทองคําที่เป็นอิฐ ท, ทองคำเนี่ยปูราดใช่ไหมที่ได้กล่าวไว้แล้วในพื้นที่1 6โยด16กิโลเมตรอันนี้ก็คือสร้างวัดเชตวันพอในสมัยพระพุทธเจ้าพระสิกขีสัมมาสมัมพุทธเจ้าสิริวัฒนะก็ซื้อที่ดินที่ปูด้วยผ่านทองคำอํำเหมือนกัน ถ้าสมัยพระพุทธเจ้าที่นามวเวสภูก็โสติยะเศรษฐีก็ใช้รอยเท้าช้างทองคําก็ปูราดซื้อที่ตรงนี้ถวายเชตวันหมือนกันสมัยพระกุกุสันธาพุทธเจ้า อ, จ, อจุตตาเศรษฐีก็ปูด้วยปูราดด้วยอิฐทองคําก็ซื้อที่ตรงเนี้ยถวายภิกษุสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประมุขสมัยพระพุทธเจ้า โกนาคามณะอุคฆาเศรษฐีก็ปูราดด้วยเต่าทองคําสมัยพระพุทธเจ้ากัสป่า ส, มาสัมมาสมุเมเจ้าก็สุมังคลาเศรษฐีก็ปูราดด้วยไม้เท้าทองคําพอมาสมัยพระพุทธเจ้าของเราปัจจุบันนี้องค์ที่7ที่ฤาษีที่7ที่เราสวดกันในวิปัสสิสธรรมะถุเนี่ยก็มีเศรษฐีคืออนาถาพินิกขาเศรษฐีก็ปูสาบด้วย18โกฏ ฉะนั้นสถานที่ตรงนั้นทุกย่างก้าวที่เราท่านทั้งหลายเดินเหยียบย่ําจึงเป็นสถานที่ที่ต้องยังความศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นว่าอาว่าที่เชตาวันมหาวิหารนี้เป็นโรงงานผลิตกุศลถ้าใครมองเชตาวันแล้วบุญเกิดไม่ได้ฟังเสียงพระธรรมที่เชตาวันแล้วบุญเกิดไม่ได้กลิ่นไอของ ดินลมน้ำไฟต่างๆในเชตวันแล้วบุญเกิดไม่ได้ลิ้มรสอาหารที่มากินมาบริโภคในเชตวันในสาวถีในแฝันกุศลแล้วกุศลเกิดไม่ได้สัมผัสกลิ่นไอเย็นร้อนที่มากระทบกายเป็นต้นเหล่านี้บุญกุศลเกิดไม่ได้คิดนึกบริเวณต่างๆเหล่านี้แล้วบุญกุศลเกิดไม่ได้แปลว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ตีบตันทางด้านปัญญาซึ่งไม่ปราถนาให้พวกเราเป็นอย่างนั้น มันต้องพัฒนาปัญญาเกิดซิศรัทธาต้องไปพัฒนาวิรยิยะวิริยะต้องไปพัฒนาสติสติต้องไปพัฒนาสมาธิสมาธิต้องเป็นฐานของปัญญาปัญญาต้องมาเกื้อกูลศรัทธาศรัทธาต้องไปเกื้อกูลวิรยิยะต้องสามารถหมุนอินทรีย์หหมุนศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมหมุนอริยามรรคมีองแปดหมุนสติปฐานสมปธิฐานอิธิบาทอินทรีย์ภาลพโภชงอริยามรรคมีองแปดให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสหรือเป็นธรรมารลมที่เกี่ยวข้องกับเชตวันมหาวิหารที่เกี่ยวข้องกับแฟนโกศลที่เกี่ยวข้องกับสาวถีที่เป็นดินแดนของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเป็นดินแดนที่พระศ า, าสดาประทับสิบเก้าพรรษาบวกที่ปุภารามีหกก็กลายเป็นยี่สิบห้าพรรษา ภิกษุสงฆ์ที่มาจากจตุรทิศนั้นมาประกาศคุณคือประกาศความเป็นพระโสดาบันสกอาธานะคะเป็นพระอรหันต์โดยให้พระบรมศาสดาทรงพยากรณ์เนี่ยเราท่านทั้งหลายมาที่เนี่ยเราจะมีคุณธรรมใดๆให้มันเกิดผุดขึ้นในกระแสชีวิตอันนั้นก็ไป น, นั่งคิดแล้วก็ต้องประพฤติ ป, ปฏิบัติในการที่จะทําให้เกิดให้มีขึ้นไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาทําบาปอกุศลธรรมอันลามกหนแดนพุทธภูมิแห่งนี้ เช่นมาปล่อยให้บาปเกิดขึ้นในกระแสะใจปล่อยราคะโทสะโมหะไปปล่อยกินข้าวของกิเลสให้เหม็นฟุ้งไปอย่างเงี้ยอายอายบันพระบุรุษคือพระผู้มีภาคเจ้าเป็นต้นเหล่าเนี้ใช่ไหมอายพระเดียบุคคลทั้งหลายที่ท่านไม่ได้ไม่ได้นิพพานก็มีนะยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านยังไม่ปรินิพพานนอกนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม บางกลุ่มก็เป็นเทวดาชั้นจาตูมบางกลุ่มก็ตาวติงสายามาดุสิตานิมาดอดีปารณิมมิสวสวัสดีบางท่านก็อยู่ในปฐมฌานภูมิทุติยฌานภูมิตติยฌานภูมิจตุติฌานภูมิเจเออขอภัยเว้นจะเว้นเว้นเว้นอสัญญาสตาภูมิบ อ, อกไว้ในสุดทาวาสภูมิอีก5นะวิหารตาปาตาสีจิมะอาการณิฐาภูมิฉะนั้นเทวดาและพรมทั้งหลายที่เป็นภระระยะเยอะหมดเลย ถ้าเรามาปล่อยกินโชยชชยกิ่นของกิเลสเอาราคะมามาปล่อยออกมาความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลิ น, นเอาโทสะมาออกมาถ้าไม่เกิดความโกรธความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านเอาความหดหู่ท้อถอยเอาทีนมิทะเอามาโชยกิ่นออกมาหรือเอาวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่ปักใจเชื่อในพระธรรมคําคสอนของพระเจ้าอย่างเด็ดขาดอย่างมั่นคง มาลังเลอยู่นั่นแหละเว้ยจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจะเข้าถึงคําสอนหรือไม่เข้าดีนะเนี่ยหรือเอาอุดทะจะความฟุ้งซ่านมาให้หมุนขึ้นในกระแสะใจเอาอาวิชาคือความมืดบอดของจิตเนี่ยนะที่ขาดปัญญาให้เกิดขึ้น เ, นเอากายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตให้มาหมุนอยู่ในกระแสะของชีวิตในดินแดนของอริยภูมิท่านเนี่ยจึงเป็นการกระทําที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเข้าใจใช่ไหม ถ้าเราเข้าใจบริบทของคําสอนของภาษาสดาให้ชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าย้อนเราจะย้อนกี่องค์อ่ะย้อนเจ็ดองค์เออพระเจ้าพระกัสสป่าสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคมนาพทะเจ้ากากุสันท้าพรธเจ้าเวสภูพระเจ้าสิขีพทะเจ้าแล้วก็พระวิปัสสีพทธเจ้าล้วนแต่เศรษฐีประจําสมัยของท่านเนี่ยปูเงินปูทองไว้ณนะสถานที่แห่งนี้ทั้งนั้นเจดพระองค์ ที่ท่านปูเข้าไว้นั้นเป็นวัตถุทานท่านมองเห็นด้วยความเป็นดินน้ำไบลมนะแต่เป้าหมายไม่ใช่แค่ไป็นมั่งปูเงินทิ้งไว้เป้าหมายอยู่ตรงไหนเจตนาที่เป็นทานกุศลเนะี่ยอโลพาคือความไม่โลภที่เป็นทานกุศลเนะี่ยความไม่โกรธและตัวปัญญาที่รู้กรรมและผลของกรรมอย่างดีตรงนี้ต่างหากที่จะประมวลทําให้เกิดให้มีขึ้นใช่ไหมในดินแดนลักษณะอย่างนี้ ยอมนั่งอย่างกเงี้ยเมื่อกี้มาทําท่าลองจะไปทําท่านอนนอ น, นอนอยู่นอนลำบากเลยนอนยากนอนไม่รู้เป็นยังไงเลยเนี่ยเป็นคนที่หรือจะมีความทรงจํามากไว้หน่อยหรือเปล่าไปรู้เป็นไหมเนี่ยไม่รู้คนอื่นจะนั่งกันเฉยๆยไงไม่ไมามความทรงจําเยอะเนี่ยปุ๊บเนี่ยมาก็นึกถึงเอาเจ็ดพระองค์นี่เขามาปูราดแผ่นทองกันทั้งนี้ใช่ไหม เศรษฐีอุบาสกที่เป็นทางน้บดีเป็นทางน้บดีประจําที่ได้อักขระอุบาสกที่เลือดกว่าอุบาสกทั้งหลายนี่ยเข้ามาปูแผ่นเงินแผ่นทองกันทับไว้เต็มไวหมดจิงอยู่ธาตุดินน้ําไปลมมันก็ต้องแตกสลายไปตามกาลเวลาแต่โรงงานเหล่านั้นไม่ยอมปิดในใจของของผู้รู้ทั้งหลายอะ่ะโรงงานบุญเหล่านั้นไม่ยอมปิดเนี่ยใช่ไม่ใช่ ถ้าเราปิดเนี่ยก็แปลว่าเราเราไม่ยอมเปิดโรงงานเนี่ยนี่เป็นความผิดของเราเองใช่ไหมเป็นความผิดของเราเองพอจะมองเห็นไมโยมสะวันนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะอันนี้ก็ใครเข้าใจทีนี้ถ้าถามว่าอานันตโพ อ, อยู่ในเชตวันมหาวิหารต้นโพก็คือต้นโพใช่ไหม แต่คนมองต้นโพเนี่ยคิดไม่เหมือนกันเนเอาสิเราจะมองยังไงให้เป็นเชือกให้เป็นสายโยงใหญ่ยึดให้เป็นอารามนาปัจจัยธรรมดาไม่พอต้องเป็นอารามนาธิบดีต้องเป็นอรรารามโนปนิสยัยคือมองและเห็นบุญเห็นเจตนากุศลของท่านเหล่านั้นให้รุนแรงถ้าเราไปมองธรรมดามันธรรมดาเลยนะความคิดเนี่ยถ้าเราไปคิดแบบธรรมดาก็คือธรรมดาไม่มีอะไรหรอก คิดแบบประเภทที่เราไม่ได้มีข้อมูล ใ, ใดๆก็ธรรมดานี่แหละเหมือนเราจะมองมาที่แก้วที่โต๊ะที่เก้าอี้ที่อะไรเงี้ยก็ธรรมดาไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเรามองเห็นคุณของพระาศาสดาในต้นโพเราจะรู้เลยว่าพระาศาสดาประทับอยู่จริงๆไปที่พระคันนกุดีถามบอกว่าที่พระคันนกุดีนั้นพระบรมศาสดา ประทับหน้าที่นั่นลองย้อนนะเราจะเห็นให้ดูว่าตอนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานที่กุสินาราเราไปกันมาแล้วใช่ไหมถามโยมว่าเมื่อปรินิพานแล้วมีการบูชาพระบรมศพกันที่ปรินิพานสถูปกี่วันนะ่ะกี่วันดรระดากี่วันฮะกี่วันบูชาที่ปรินิพานสถูปกี่วันดีฮะ เอาจำไม่ได้แล้วด็อกเตอร์ที่บ่าดีว่าไงฮะไมมที่ปริณิพานเนี่ยกี่วันจําไม่ได้แล้วย้อมมะลิกี่วันฮะกี่วันจําไม่ได้แล้วที่นั่งกันนี่ไม่มีใครจําเลยตอนปริณิพานครั้งแรกตอนปริณิพานเนี่ยมีการบูชาพระบรมศพก่อนนะกี่วัน เจวันอยู่ตรงไหนที่ปริณิพานสถูปในเจ็ดวันพอครบเจ็วันก็เคลื่อนพระบรมศพไปที่ไหนเออมกุูดพันธนะเจดีเมื่อไปถึงมกุูดพันธนะเจดีเ บ, งงเบด็ดนนเสร็จแล้วทํำยังไงต่อทําไงต่อพอเคลื่อนศพพระบรมศารสดาไปที่มกุูดพันธนะเจดีแล้วทํำยังไงต่อมันละปาโมก ไหมอย่าประชุมเพลิงแล้วติดไห ม, ไมเพราะอะไรไใครให้คอยทําไมเทวดาถึงให้คอยเ ท, ท, ทวดานั้นเป็นตระกูลอุปถากพระเถระตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์นั่นแหละตายไปเพราะด้วยอํานาจของการเอาศรัท ธ, ธาไปตั้งไว้ที่พระเถระจึงได้เกิดเป็นเทวดาพ้นจากอบียภูมิตอนนั้นพระเถระอยู่ที่ปาวานนครยังมาไม่ถึง ปรารถนาจะให้พระเถระของตนเองมาเฝ้าพระศาสดาก่อนที่จะมีการประชุมเพลิงบรมศพของพระศาสดาเทวดาที่รับฟังโอวาทของพระเถระแล้วได้ดบได้ดีเขายังสำนึกในคุณของพระเถระเข้ายจยังฉะนั้นเราได้พระธรรมคาสอนหรือเรามีพ่อแม่แนะนำอะไรชั่วอะไรดีกับเราเนี่ยไม่ควรลืมบุญคุณท่านไงใช่ไมควรระหนักในคุณใช่ไช่ ถ้าถามว่าที่เรามาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเพราะใครเพราะใครเห็นมเพราะกุศลใช่ไห ม, พ, ไหมพ่อแม่ก็มีพระคุณที่เลยจากพ่อแม่ไปคือบุญบุญนั่นแหละเป็นตัวทําให้เราได้ตาหูจมกูกเล่นกายใจของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมเลยจากบุญไปคนที่สอนเรื่องบุญเรื่องบาปคือ พระพุทธเจ้าที่สืบทอดกันมาหลายๆพระองค์นั่นแหละคําว่ากรรมสักตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่ไปรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยไม่มีศาสนาไหนสอนได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ได้รับบุญจากสืบๆต่อกันมาจากพระบรมศาสดาหลายๆพระองค์นั่นแหละแต่เราเป็นผู้ที่มีอัอนทรีย์ไม่แข็งแกร่ไม่ไม่กล้าจึงต้องมาแบก ขันธพาละเข้ามาเฝ้าพระศ า, าสดาในวันนี้มาวันนี้ก็ยังความอ่อนแอให้อินรีเกิดอยู่อีกแล้วจะไปเฝ้าพระศ า, าสดาองค์ต่อไปไหวไ้ยเนี่ยถ้าเราพลาดขึ้นมามันก็ตกอบายทุกขติวิธิบาตนรกใช่ไหมใช่ไหมใช่เนี่ยก็คิดให้ถูกคิดให้เป็นฉะนั้นเหนือกว่าบุญจึงคือเห็นคุณของพระศ า, าสดาไง ถ้าไม่มีภาษาสดาเนะี่ยความเป็นมนุษย์เราก็ไม่ได้อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษก็ไม่เข้าใจหรอกก็ขนาดมีภาษาสดาคอยกล่าวคอยพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาโดยการผ่านพระตรปิฎกผ่านครูบาอาจารย์อะไรทั้งหลายที่ถูกต้องนะก็ยังได้แค่นี้เลยอะถ้าไม่มีพระบ ร, รมศาสดามาชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพันธุรือพันธุ์เราก็ปวดใจมากกว่านี้เยอะใช่ไหมเราไม่รู้เลยนะ่ะ เราไม่รู้นะว่าไฟมันกำลังล้อมเราอยู่บุคคลที่ชี้ให้เราไปในทางออกจากทางหนีไฟได้คือพระศาสดาเรากำลังอยู่ในวงล้อมของโจรการไม่หนีออกจากวงล้อมนี่มันเป็นความผิดทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ทางหนีมีอยู่พระศาสดาก็ชี้ทางหนีไว้แล้วการที่เราตกลงไปในหลุมคูดที่มันเปื้อนอุจจาระปัสสาวะเต็มไปหมดเนี่ยสะน้ามีอยู่ข้างหน้าพระศาสดาก็ทาให้ชี้ไว้ให้ การที่บุรุษไม่เดินก็ไปอาบน้ําเนี่ยชําระกายให้สะอาดไม่ใช่ความผิดของสาดน้ําการที่หมอมีอยู่ป่วยไข้แทบตายไม่ยอมไปหาหมอไม่ใช่ความผิดของหมอฉันใดพระพุทธมาศาสดารอเราอยู่ณนะเวรุวันรอเราอยู่ณนะสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมจากปรินิพานแล้วก็ที่เวรุวันที่เชตวันทั้งหลายเหล่านี้ การที่เราท่านทั้งหลายมาเฝ้าพระศาสดาไม่ไม่มาเฝ้าพระศาสดาให้เห็นพระศาสดาไม่ใช่ความผิดของพระศาสดาแต่ความผิดของพวกเราโดยแท้เข้าใจั้ยเป็นความผิดของพวกเราโดยแท้จะไปโทษใครได้ไหมเป็นความผิดของเราที่เรามาแล้วเราไม่เห็นพระศาสดาเองจะว่าไงพระศาสดายังพร่ำสอนตลอดเวลาไหมยังสอนเรื่องทานอยู่ไหมสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอยู่ไหม ยังสอนอยู่ยังประกาศอยู่โอ้โหเกืโอบแย่ไปสมาทานไม่ได้แล้วนี่เข้าใจคำว่าตลอดชีวิตหรือยังหมายถึงยังไงแปลว่าไม่ยอมเปลี่ยนนะไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนขนาดไหนถ้ามีใครเออเอาดาบมาจ่อไว้ที่คอนะ แล้วบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เราจะพูดตามนั้นไหมเอาชีวิตไว้หรือเอาอะไรไว้เ อ, เอาสถานะคมไว <c oughs> นะเอาสถานะคมไว้ไม่ใช่เอาชีวิตไว้ชีวิตเนี่ยมีสาระหรือไม่มีสาระ <c oughs> พระ t h a n a tray มีสาระไหม <c oughs> มีพระ t h a n a tray จะทําให้เราถึงอะไรถึงศีและสาระ ถึงสมาธิสาระถึงปัญญาสาระถึงวิมุติสาระถึงวิมุติญาณทัศน์สาระเพื่อเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นอมตะสาระเขาจะให้ยังฉะนั้นเราจึงต้องเอาพระรัตนาไตรไว้แต่อย่าไปเอาชีวิตไว้ชีวิตไม่มีสาระของความงามไม่มีสาระของความเที่ยงไม่มีสาระของความสุขไม่มีสาระด้วยความเป็นตัวเป็นตนใดๆหรอกเขาจะให้ยังแต่พระัตนาไตรนั้นเน่ยเป็นสาระทําให้เราเข้าถึงศีรสาระสมาธิสาระได้ เข้าถึงปัญญาสาระได้เข้าถึงวิมุตติสาระคือความหลุดพ้นวิมุตติยาณทัศนาสาระคือญาณปัญญาที่ไปรู้ความหลุดพ้นแล้วแล้วจะทําให้เราเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นอมาตะสาระเขาใอย่างังฉะนั้นพรระตัตนาตรายจึงประเสริฐกว่าชีวิตไหมดีกว่าชีวิตฮะเอ้าเสด็จบนหน่อยอ่ะ เอาสวดบารมีสิบทัสในที่วสวดดังๆเลยเราตั้งใจเลยนะอย่ามางคนหายง่วงยังหายแล้วนะถ้าใครยังง่วงต่อ <c oughs> ฮะไอ้แปลกเหรอถ้า ง, ง่วงก็ยืนดิยืนฟังธรรมภาษารีบุตร ปรินิพานที่ไหนไปไหมยังไปมาแล้วนะพระารีบทมรมาลาพระบรมศาสดาเพื่อจะเป็นรินิพานที่ไหนฮมาลาที่ไหนเนี่ยข้อมูลอย่างนี้นี่แหละศรัท ธ, ธาถึงไม่ค่อยเดินกันเนี่ยนะ พระสารีบุตรมาราพระบรมศาสดาเพื่อจะไปปรินิพพานที่เชตวันนี่แหละฮะอันนี้ทั้งๆที่เราไปมาแล้วใช่ไหมต้องโทษใครเนี่ยเดี๋ยวไปโทษจันมีชัยเขาอีกยุ่งเยก้อนโทษเรานี่แหละเขาคงบอกบทแล้วเนี่ยถ้า สมัยหนึ่งนะพระพูมีพระเจ้าประทับที่พระวิหารเจตวันอารามของท่านนาถาปินทิกะเศรษฐีนั่นเองสมัยนั้นท่านภาษาริบุตรอยู่ที่บ้านนาละกาคามแว้นมาคดนู่นแหละเกิดอพาราเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนามากเป็นต้นเหล่านี้ในรายละเอียดก็คือท่านป่วยที่น่นแล้วต่อมาท่านมาที่เนี่ยมาลาพระาศาสดาเพื่อจะกลับไปปริทิพานที่ไหน ท่านภาษารีบูดเนี่ยนะทำวัดแก่พระผู้มีพระภาคแก่พระภาคเจ้าแล้วก็เข้าสู่ที่พักเวลากลางวันเมื่อเข้าพักสู่เวลากลางวันแล้วเนี่ยเหาสิทธิ์ก็ทำวัดในพระเชตวันเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วท่านก็มาเกิดปัดกวาดที่กลางวันปูแผ่นหนังล้างเท้านั่งขัดสมาธิเข้าพระละสมาบัติออกจากพระละสมาบัติแล้วก็เกิดความคิดว่าพระบรมศาสดาจากบริณีพานก่อน อัคราสาวกเบื้องขวาหรืออัคราสาวกเบื้องขวาจะปรินิพพานก่อนน้อแหลพิจารณาอดีตไหมอดีตพระเจ้าองค์ก่อนด้วยผลปรากฏและธรรมเนียมเป็นยังไงใครปฏินิพพานก่อนใครเอออัคราสาวกปรินิพพานก่อนท่านก็มากําหนดอายุชะตาอายุของท่านเออผมเข้าใจอย่าใช้คำว่าชตาเนี่ยพวกเราชอบไปต่อชตากันใ่อยเลิกต่อเนี่ยเนีย ท่านจะกั้ก็กำหนดรู้ทันทีว่าอายุของท่านเหลือกี่วันเออเจ็ดวันจะปรินิพานแล้วพอท่านมาพิจารณาอย่างนี้เบ็ดสร็จท่านก็รู้ว่าเจ็วันน่ยก็ตรวจดูว่าจากปรินิพานที่ไหนท่านเห็นพระราหุนปรินิพานที่ไหนเออปรินิพานที่ดาวดึงเทวโลกท่านัญญากรัญญาปรินิพานที่ไหน อชาสัชทันเอเราจะไปนิพพานที่ไหนขณะนั้นท่านก็เกิดปารบถึงใครปารบถึงพระมารดาเดียถึงมารดาเนะียมารดาของเราเป็นมารดาของพระอรหันต์กี่องค์ลูกเป็นพระอรหันต์เจ็ดเลยนะก็ยังไม่เลื่มแม่ก็ยังไม่เลื่อมใสในพระรตนะตรัยเลยพระบวชมาแล้ว คุณพ่อคุณแม่ไม่เลื่อมใจพระาราชนตรัยเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยพระทิศพระคิดหนักไหมคิดหนักเลยใช่ไหมพ่อก็ไม่นับถือพระาราชนตรัยอย่างแท้จริงแม่ก็ไม่นับถือพระาราตนารัยอย่างแท้จริงคิดไม่คิดภาษาริบบท่านคิดไหมท่านก็คิดแล้วพ่อไงเนี่ยพอคิดแล้วทําไง ท่านก็นมาพิจารณาว่านิดขนาดลูกเป็นพระทหารเจ็ดนี่นะแล้วว่ายังไงต่อไปจะนับถือแท้จริงหรื อ, อยังเอาประกาศมานี่แท้จริงหรื อ, อยังยืนยันนีออย่ยังเอออย่าพังบ ง, ง, งอกหองวสิษไม่ได้ต้องประกาศด้วยะ <laughs> ฮะแท้จริงหรื อ, อยังต่อไปเลิกไหวเจ้ายัง เลิกไมมเลิกโอ้เนี่ยเป็นถ้าอย่างเงี้ยถ้าพระมานั่งฟังแล้วพระสีใจเลยเนี่ยเนี้ยก็ไหวให้ถูกเขาไม่ได้ห้ามก็ทำบุญก็อุทิศให้ไปที่เจ้าก็คือเทวดาใช่ไหมทำบุญในพระรัตนตรัยนี่แหละอุทิศกุศลให้ก็จบแล้วเขาใ้ป่ะอ๋อ กลัวอะไรกลัวอะไรไม่ต้องมาขอกัะยาเนี่ยขอกับพระเจ้าด้วย <c oughs> ไมรายงานท่านนะถามว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาประเภทไหนเป็นอุบาสกบาสิกาแบบจันทานหรือเปล่าหรือเป็นแบบไหนดี เราก็ต้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบชั้นเลิดสินะแบบชั้นเลิศดจริงๆในขนาดนั้นท่านก็ปริวิตกว่ามารดาของเราเป็นมารดาของพระผู้ของพระหลักฐานมาเจ็ดรูปแต่แม่ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่นับถือพระรัตนตรายไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็พิจารณาต่อไปว่าแม่มีอุปนิสยัยหรือไม่น้อเนี่ย และเลือ ก, ก็เห็นว่ามารดานั้นมีอุปนิสัยในโสดาปริมักเห็นว่าจาักบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะเทศนาของใครจะเป็นสาวกเวไนหรือพุทธเวไนเนอก็รู้ว่าเป็นสาวกเวไนและใครเนอะจะโปรดแม่ได้โอ้อเราจะขวนขวายในการที่จะไปโปรดมารดาเนี่ยนะคนทั้งหลาถ้าหากว่าเราไม่สามารถโปรดมารดาได้ภาษาที่บุตรเป็นที่พึ่งให้กับบุคคลอื่นเนี่ยแปดหมื่นตระกูลเนี่ยพาเราอื่นไปสวรรค์หมดเลยเนีย แต่ไม่สามารถพาพ่อพาแม่ไปสวรรค์ได้นมันน่าคิดน่นนะคนอื่นเขก็จะพากันตำหนิโอ้โหเนี่ยภาษาลิบุตรอ克拉สาวกเบื้องขวาของพระบรมศ า, ศาสดานี่นะสามารถทําให้คนอื่นนั้นไปสุคติไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาเป็นพรหมก็เยอะและไม่แค่นั้นทําให้คนเป็นพระโสดาบันสกาธานาคาเป็นพระทหารก็มากแต่ไม่สามารถโปรดมารดาแม้สักครั้งหนึ่งได้นะี่นะ คนก็จะคารหานินทาก็จะตําหนิไปถึงพระรตาตน้าไตรพระรตาตน้าไตรก็จะพลอยถูกบุคคลที่ไม่รู้ความเป็นจริงตําหนิแล้วก็จะเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองในใจของท่านบุญนั้นท่านบุญนั้นก็จะพากันไปล่วงหลนในใบยภูมิท่างคิดท่านอย่เนี้ยพอคิดเบ็ดเส็จท่านทํำยังไงท่านก็ไปลาพราะาศาสดาโดยตำหนิในการที่จะไปปรดแม่นั่นเองเราจะปลดเปื้อกมารดาออกจากมิจฉาทิถิ คือความเห็นผิดความที่ย่อหย่อนในพระรัตนตรยัยไม่เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยยังเที่ยวไปไหว้อะไรอยู่เนี่ยนะก็ลองคิดดูที่มีมารดาของออพระพรห ม, มเทเรนะที่ท่านชื่อพรห ม, มเถเรที่บอกว่าท่านเป็นพระอรหรันต์ไปบินนบาต ท, ที่บ้านยมแม่ตากข้าวให้ลูกเนี่ยไม่กี่ทเพีย แต่เตรียมข้าวข้าวเป็นเรื่องเป็นเตรียมอาหารเป็นเรื่อมเกวียนเลยนะเป็นลอยที่ทางสี่แพ่งเลยไปอ้อนวอนให้พรหมลงมากินพรหมเดือดร้อนนี่ตายแล้วนางพรามันนี้เนี่ยทำไมทําศีษะเราจะแตกออกเป็นแปดเสียงเจ็ดเสียงเลยเนี่ยโอ้โหพราพาพระอรหันต์พระอรหันต์ใช่ไหมพระอรหันต์นั่งอยู่บนบ้านอดอดอยากอยากเอาข้าวมาเที่ยวอ้อนวอนเนี่ยยกขึ้นอย่างงี้ ข้าวปลายาก็ไหลย้อยลงสอลงศอกเนี่ยเนี่ยย้อยมาติดตรงเนี้อ้ อ, อนวอนขอให้ผมมากินอาหารเธออ้ อ, อนวอนข อ, ขอให้ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเฝ้าบ้านให้ด้วยจะไปทุละแล้วตรงนี้ก็คือว่า ก็ในส่วนจริงพรมก็ลงมาเลยพรมบอกดูก่อนนางพระมณีพรมไม่ได้กินอาหารที่อย่างเธออ้อนวอนเราเลยเธอไม่รู้ทางของพรมเธอไม่รู้อาหารของพรมเธอไม่รู้ที่อยู่ของพรมหไหมไม่รู้ทางของพรมบอกว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดเป็นพรมเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่รู้อาหารของพรมพรมก็ไม่ได้กินอาหารที่เธอมาเที่ยวอ้อนวอน ก็ยกตัวอย่างเราเอาเนื้อเอาเป็ดเอาไก่ไปบูชาเนี่ยเอาอะไรนะผลไม้ไปบูชาเอาไปถวายเนี่ย <c oughs> ก็เทวดาเขาไม่ได้กินอาหารแบบนี้เรารู้จักอาหารของเทวดาไหมก็เทวดาก็กินอาหารทิพย์ <c oughs> อันนี้เป็นอาหารของมนุษย์มัน <c oughs> จะไปกินได้ไงก็กินไม่ได้ใช่ไหม พระเจ้าก็ากล่าวไว้ทั้งหลายที่นะสัตว์เดรัจฉานเขก็มีอาหารของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็มีอาหารของมนุษย์ทเทวดาแต่ละชั้นก็มีอาหารของเขาพรหมก็มีอาหารของเขามันกินกันไม่ได้จะทําทไงเอาที น, นี้ก็เรื่องยาวเลยแตเนี้ยสมมุติว่าเอานี้ไปถวายพระเจ้าทําไงเนี้ยใช่ไหมเมื่อวานเราไปถวายลิงก็มาคว้าไปกินเงี้ยแล้วคิดยังไงแต่เนี้ย อาแล้วเป็นยังไงอา้าแล้วบุญสำเร็จไหมเนี่ยแล้วไม่เสียดายเลยไม่เสียดายนี่ยบุญมันคืออะไรแล้วเจตนาเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมเพราะเราถวายสีถวายเสียงถวายกลิ่นถวายรสถวายโัวาพะถวายธรรมารมของอาหารของสิ่งของเหล่านั้น ถ้าเข้าใจคำสอนที่ลึกซึ้งอย่างเงี้ยเราก็ถวายไปได้อย่างไม่เสียดายใครจะไปทำอะไรก็ได้ถวายเสร็จใครเอาไฟมาเผาตัวหน้าเราก็ไม่ว่าเขาไม่ไปโกรธอะไรเขาอ่ะเพราะบุญเราได้แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วก็บุญตรงนั้นโรงงานแเราก็เปิดเรียบร้อยแล้วเพราะเราจุดติดในานา้มธรทำของเราแล้วไงไม่ใช่ไปจุดติดที่รูปธรรมนะั้นไม่ใช่พอถวายอะไรไปแล้วพะไม่มีชื่อโอ้โหเรียดเลยตัวเนี้ย เรียดเลยแล้วเขาเขียนชื่อผิดอีกต่างหากนะโวยวายเลยโวยวายเลยอะไรก็ไม่รู้เขาใช่อย่างตัวเนี้ยชื่อไม่ได้สําคัญอะไรเลยชีวิตนี้นั้นถ้าเข้าใจในคําสอนของพระบรมศา ส, สดางนี้เสียก็ชัดเลยทีเนี้ยแต่เนี้ ย, ยพอพ อ, พอพรมพูดอย่างเงี้ยนางก็ตกใจเลยก็บอกไห้พมที่แท้จริงนั่งอยู่บนบ้านไมปล่อยท่านอดได้ยังไง ร, รีบกลับไปไปดูแลเป็นอุปถัมภ์ท่านอย่างนี้ ต้องรีบไปถ้างนั้นพรหมเสียหายเลยคุณธรรมของพรหมมันน้อยนิดสู้พระหันได้ที่ไหนแล้วถ้าขนาดพระธรรมดาบรรลุเป็นพระลัหันเนี่ยนะพวกเทวดาพรหมทั้งหลายเขาจ้องโอยบะถากกับเป็นแถวเนะียพระมหาศิวะเทราที่ท่านประพฤติกระทำความเพียนกี่ปีนะกี่ปีนะสามสิบปีหรือสามสิบปี ท่านเนี่ยสอนลูกศิษย์วันละสิบแปดคะไม่มีเวลาเลยมีลูกศิษย์เป็นผ้ารหารเนี่ยสามหมื่นรูปแต่ตนเองยังเป็นปุถุชนอยู่เลยเพราะคิดวัดฉลาดไงอย่างเราเนี่ยกําหนดไม่ถึงสองสาวันก็บรรลุแล้วเมื่อไหร่ก็ได้นี่ไปไปมาๆก็มีลูกศิษย์เอ๊ะตรวจดูกระแสจิตของอาจารย์ตนเองนะเพอดูอาจารย์เราเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นแต่ไม่เป็นที่พึ่งให้กับตนเองเลย ไปไปมาก็มากะต้องการมานุข้ออาจารย์ น, นั่นเองก็มาแล้วมาถึงเบสเสร็จก็ทันทีทันทามาหาอาจารย์ผมจะมาสมัครมากราบนะมาสมัครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มาเรียนพระธรรมอาจารย์บอกว่ไม่มีเวลาเลยขอเวลาชั่วอึดใจก็ได้ช่วงเวลาบิณฑบาตมีไหมไม่มีมีคณะอื่นรออยู่กลับจากบิณฑบาตก่อนจะเข้าห้องน้ำนี่ไม่มีคณะอื่นรออยู่เห็นไหมเนี่ยท่วงกลางคืนมีไหมไม่มี ปฐมยามก็มีมีมทุตียามตย า, ยามตียามอะตาไม่มีเลยไปไปมามาก็เลยบอกโอ้โ oh, หอาจารย์เนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นนะแต่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้เลยผมไม่ไม่รู้จะอยู่เรียนกับท่านอาจารย์ทําไมพูดเสร็จเหาะหนีไปต่อหน้าต่อ ต, อตาเลยโอ้โห oh, oh, ตกใจเลยเนี่นะบอกโอ้ oh, ตายแล้วนี่ท่านไม่ได้มาเรียนกับเราท่านจะมาสอนเรานี่ท่านก็เลยสอนคณะสุดท้ายปุ๊บ ท่านก็เก็บบาทเก็บจีวรเบียดเสร็จก็เดินออกไปเลยซึ่งก็ไม่มีใครรู้ท่านท่านเดินเข้าไปในในในในในถ้ำเดินไปไกลเข้าป่าไปนี่ไปเจอถ้าก็เข้าถ้าปฏิบัติเลยคิดว่าสวันเนี่ยกลับไปก็เดี๋ยวจะถึงวันอุโบสถเออเจวันไหมถึงวันอุโบสถท่านจะไปปรณนาปริสุตที่บันอุโบสถว่าก็แปลว่าจะไปประกาศเลยว่าจะมารู้ว่า7วันเฉยไหม เฉยเลยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเธอเนี่ตายแล้วยุ่งแล้วงั้นก็เอา้าสงสัย้องอยู่จำภาษาแล้วเนี่ยก็จำภาษาออกภาษามาก็ไม่ได้เฮ้เริ่มคิดหนักแล้วเอเนี้ตั้งหลักใหม่แล้วชักไม่ค่อยจะทำอย่างเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยท่านก็เริ่มเลยเริ่มทุกรรษาออกมาออกมาไม่ได้เลยเดินจนเท้าแตกเดินจนเท้าแตกจนต้องเอาเอาเชือกมาร้อยเท้าเย็บมัด จนเด็กเลี้ยงควายอะ่ะเด็กเลี้ยงวัวงเนี้ยในยุคก่อนมามาไปเสร็จก็ช่วยเอาไม้มาแทงเท้าให้ท่านเน่แล้วก็พาไปโดดล้ อ, อ ก, กันเล่นโอ้เดินจนเท้าแตกก็ไม่ได้อะไรทานองเนี้ยเนี่ยเอาไปร้องเป็นเพลงท่านก็อายนนเนี่เนี่ยร้องไห้ฮะออ ก, ากัาษาปุ๊บก็ร้องไห้ทุกครั้งไม่ได้บรรลุเนี่ยออกัาษาปุ๊บก็ร้องไห้ออกภาษาปุ๊บก็ร้องไห้ พอมาภาษาที่สามสิบยี่สิบใกล้จะถึงสามสิบท่านก็พิจารณาแล้วนั่งร้องไห้เนี่ยที่ท่า น, นั่งร้องไห้ว่าเราจะคงจะไม่มีอุปนิสัยจะละเมอเพียนขนาดเนี้พอในขณะที่กําลังร้องไห้อยู่เนี่ยท่านก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังกว่าท่านไงท่านก็เลยหยุดใช่ไหมหยุดฟังหยุดฟังทําไมรู้ไหมโยมมาลี ถ้าเราเราร้องไห้อยู่เนี่ยถ้ามีคนร้องไห้ดังกว่าเนี่ยเราจะหยุดไหมหยุดใช่ไหมก็หยุดดิก็หยดุดเอ๊ะนั่นใครเนี่ยใครมานั่งร้องไห้เนี่ยก็เทวดามาร้องไห้ก็เลยถามว่าโยมร้องไห้ทําอะไรเพื่อที่มันจะได้สักมาร์กสองมาร์กโยมก็เลยร้องไห้ดู <laughs> โอ้โหโอ้โ ห, โโหจะปวดไหมโอ้โหต่เนี้โอ้โหคนเช่นเราเนี่ว่างั่นเนียขนาดเทวดายังยอะเย้ย <laughs> โอ้โห ทกใจมากก็เลยตอนนี้เพียนท่านได้บรรลุจริงๆพะอภาษาบรรลุท่านอธิษฐานไม่ไม่ไม่ขึ้นเตียงไม่เคยล้างเท้าเลยสามสิบปีแล้วก็ไม่เคยหลังถึงแต่ถึงพื้นเลยพอได้บรรลุแตกฉานปฏิสัมพิทาญาณลูกศิษย์สาม0มื่นกว่าคนจ้องดูนะพอรู้ว่าอาจารย์บรรลุแล้วโอ้โหเหาะมารอกันเต็มหมดเลย บอกว่าท่านกำลังจะล้างเท้าฮะท่านอาจารย์ผมต้องการอุปถากท่านอาจารย์ทำท่าจะนั้นแบเส็จเท้าสกะามาแล้วเท้าสกะาจ้องมาตั้งนานเลยใช่ไหมลุ้นมาให้นางสุชาดานางสุชาดาเป็นเป็นภรรยาเดินนำหน้าแล้วก็ตะโกนบอกว่ายอมผู้หญิงมาพระก็ต้องรีออกลางไงใช่ไหม หลีกทางให้เป็นแถวเข้าไปถึงที่เลยรีบไปกราบเลยพระมหาเทระก็บอกว่าเท้าโกสีมาทําไมอาตมาไม่ได้อาบน้ํามาทั้งตั้งแต่สามสิบปีเลยเนี่ยว่าไง น, นะอมาเจลักบอกว่าบอกว่าบอกว่าท่านมหาเทระกินศีลน่ะไปทวน ล, ลมเข้าใจไหมกลิ่นของพระอรหันต์น่ยกลิ่นไอของกุศลฤาษีน่ะฟุ้งไปถึงโน่นน่ะ สวรรค์ชั้นดาวดึงที่ที่เขาพรเจ้าอยู่นั่นน่ะพระเช่นท่านใครก็ปลาธนาเท้าสกัดพระเช่นท่า น, นใครก็อยากจะอุปถากพระเลยไม่ได้อุปถาอาจารย์ตนเองเลยเท้าสกัดมาล้างเท้าให้ล้างเท้าให้ภรรยาก็ยืนประนมมืออนุโมทนา เท้าสกามามักจะไปแชบแอบรักบุนอย่างเงี้ยถ้าใครบรรลุเป็นพระหลังหันเนี่ยท้ า, าสก่านี่อุปถัมภ์หมดแล้วเนี่ยอาที่ใครอยู่ตรงนี้ท่านมาอำนาจสนใจไหมเนี่ยขึ้นแดนยมกขัดเ่าดูที่ท้าสก่ามาต้อนรับเลยมาดูแลเลยถ้าได้บรรลุเนี่ยนะอันนี้พูดถึงว่าเห็นไหมว่าการตามความเพียรเนี่ยก็ทำจริงจริงใช่ไหม โอโหยุคนั้นสามสิบปีเนี่นะเอาจริงเอาจังนี่นะี่แล้วพูดอย่างนี้พวกเราจะท้อไหมท้อไม่ท้อไม่ท้ อ, ทอหรอกนะเพราะว่าพพจริงๆแล้วก็คือท่านต้องการขับเน้นความเพียรให้ดูแล้วพอต่อมานี่นะท่านภาษาดิบุตรก็ไปราพระบรมศาสดาแล้วก็เบ็ดเสร็จเหล่านี้แล้วเนี่ยนะ จึงบอกพระจุนทาเทระเนี่ยไปเถิดจุนท่าเจ้าจงบอกแก่ภิกษุบริษัทของออสัิติวิหาริก่0 0าร้อยรูปของเราว่าอาวุโสท่านจงถือบาทและจีวรพระธรรมเสนาบดีประสงค์จะไปนาระกาพักคามพระจุนทาก็ได้บอกแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วพระเทระเก็บสศยนาสนะก็ปัดกวาดที่พระกลางวันที่เชตวันนี่แหละ เข้าไปยืนอยู่ที่ตรงประตูมองดูที่พักกลางวันดําริว่าบัดนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายไม่มีการกลับมานะท่านแลเชตาวันเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปมองเชตาวันเป็นครั้งสุดท้า ย, ยไหมแล้วเราจะกลับมากันอีกไหมกลับไม่กลับที่ภาษารีบุตรมามองเป็นครั้งสุดท้ายท่านบอกท่านจะไม่กลับมาอีกแล้วชีวิตของท่านไม่มีการมาไม่มีการไปอีกแล้ว ท่านพลิกสู่ห้าร้อยรูปแวดล้อมแล้วเข้าไปเฝ้าพระบรมศ า, ศาสดาสถวายบังคมและนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าข้าแต่พระมหาโมนีโลกนาจเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์ตัดสินใจแล้วคําว่าตัดสินใจแล้วแปลว่าอะไรปงพาระแล้วคนเนี่ยพระอาหารเนี่ยท่านจะปงปัจใจของท่านนะถ้าท่านบอกไม่อยู่แล้วเนี่ยท่านกําหนดนะ่นเนี่ยแปลว่าท่านจะกําหนดแล้วท่านจะปรินิพานเมื่ อ, อไหร่ เหมือนพระบรมศาสดาเนี่ยปองพาราแล้วเหมือนพวกเรานั่งฟังธรรมเนี่ยที่วันนั่งฟังธรรมแล้วมันฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยปองพาราเหมือนกันไหมปองไม่ปองอองไม่ไหวแล้วปองพาราแต่นี้พระบที่ท่านพระสารีบุตรบอกปองพาราตัดสินใจแล้วไม่มีการไปการมานี่เป็นการถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้าย ชีวิตของข้าพระ อ, องค์เนี่ยต่อแต่นี้ไปล่วงเจ็ดวันข้าพระ อ, องค์จะทอดทิ้งเรือนร่างเหมือนวางภาระลงแล้วโอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเรามองดูจากพระละหันท่านไปนลาพระบรมศาสดาเนี่ยฟังแล้วน่าสะเทือนใจนะถ้ามองอีกมุมหนึง่งเหมือนน่าสะเทือนใจมากๆเลยนะการที่พระพระละหันไปนลาพระศาสดาเนี่ย บอกว่าบัดนี้ไม่มีการมาไม่มีการไปชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วโป่งภาราแล้วคำว่าภาระคืออะไรคนที่ไม่ยอมป่งก็คือคนที่ยังแบกอยู่คนที่ยังปรารถนาไปมีตาปรารถนาไปมีหูไปมีจมูกไปมีลิ้นไปมีกายมีใจเอา้าที่นั่งนั่งยกอยู่เนะ่ย ใครปาถนาไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกเนี่ยปาถนาไหมถามว่าเบื่อจริงๆหรือเปล่าเบื่อการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์นรกเราหมดหรือยังเราทิ้งหรือยังเนี่ยเราทิ้งได้อยังเราละได้อย่างเด็ดขาดหรือยังตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์เดรัจฉานละได้อยังยังไม่ได้อีก ตาหูจม oh ok ูกเล่นกายใจของเปรตตาหูจม oh ok ูกเล่นกายใจของอสุรกายตาหูจมูกเล่นกายใจของมนุษย์ตาหูจมูกเล่นกายใจของเทวดาและพรหมละไดอย่างยังไม่ได้สักอย่างเลยเนาะสรุปแล้วก็คือเรายังไม่สามารถละตาหูจมูกเล้นกายใจของสิ่งเหล่านี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ ต่อมาท่านภาษาลิบุตรก็มาลาในรายละเอียดตรงนี้มาจะไม่เข้าไปเลยนะแต่เล่าให้ฟังก็ข้าวตรงนี้ว่าเนี่ยที่ตรงนี้ภาษาลิบุตรท่านลาพระบรมศาสดาเพื่อจะไปปริณิพานเมื่อจะไปปริณิพานพระบรมศาสดาก็ไม่ได้ทรงอนุญาตและไม่ได้ทรงบอกห้ามนะถ้าจะอนุญาตเดี๋ยวเดรัทธีนิคนจะบอกว่าพระศาสดาเสริญเสริญการตายไงถ้าห้ามพระเดรัทธีนิคนก็จะตําหนิบอกว่าพระศาสดาเสริญเสริญการเกิดนี่นะการอยู่เนี่ยนะ พระศาสดาก็บอกว่าดูก่อนสารีบุตรเธอต้องทราบการนั้นควรแล้วก็บอกว่าการเห็นพระอย่างเช่นอย่างเธอเนี่ยการที่ภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาจะเห็นพระที่เป็นระดับพี่อย่างเธอเนี่ยหาได้ยากพระสารีบุตรเป็นปรินายกแก้วทางธรรมไหมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาใช่ไหมคนที่เป็นปรินายกแก้วนี่นะคือถ้าพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีปรินายกแก้ว แต่ภาษาริบุตรเนี่ยเป็นอั克拉สาวกเบื้องขวาจึงจัดว่าเป็นปรินายกของภาษาสดาภาษาสดาเป็นธรรมราชาใช่ไหมก็แปลว่าภาษาริบุตรนั้นเป็นลูกคนโตใช่ไหมฉะนั้นพระผู้วิภาคเจ้าก็บอกดูก่อนสาริบุตรการเห็นพระเช่นพี่ชายเช่นเธอเนี่ยเป็นการหาได้ยากฉะนั้นเธอทั้งหลายจงประกาศเนี่ยจงแสดงธรรมนั่นเองถ้าโดยโดยส่วนใหญ่ก็คือว่า ทรัพย์ที่พ่อให้ไปมีจำนวนเท่าไรดูก่อนสาลิบุตรเธอจงเอาอารลียทรัพย์เหล่านั้นมาใช่ไหมเอาธรรมะมรดกเหล่านั้นมาแสดงให้กับน้องๆได้ดูและอย่างหนึ่งก็คืออะไรไปประกาศว่าเอามราดกของพระศาสดา บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ น, นั่นเองสำ ม, มาสัมโพธิญาณที่พระบรมศ า, ศาสดาบำเพ็ญบารมี10อุปปารมีสิบ ป, ป, ปรมัทมาบารมี10มา20ประสงค์สไคยยิ่งด้วยแสนกราบเนี่ยข้าพระองค์เป็นพยานนี่ไงธรรมะมรดกที่ข้าพระองค์ได้จากพระบรมศาสดาก็เอามาประกาศถวายเป็นพุทธบูชาเลยใช่ไหมเราไปที่มุลที่พระคันนกุดีเราเอามรดกและเบสถวายพระาศาสดาให้พระาศาสดาได้ ชมบ้างมีบ้างไหมเนี่ยมีศีลเอาไปไปถวายพระศาสดาไหยแล้วหมดจดหรือเปล่ากขาไม่รู้ศีลเนี่ยหมดจดไหมมีศีลพูดไปแล้วก็ไม่น่าละอายใจยังมรดกเราไปถวายพระศาสดาเนี่ยนะน่าเชื่นใจไหมเนี่ยอ้าวมารดกข้อไหนไปถวายบอกข้าแต่พระองค์ผู้จะเลื่อนปรายงานด้วยนะข้าพระเจ้าชื่ออะไรอย่างชื่อสุวรรณก็บอกสุวรรณไปเลย นับถือพระรัตนตรัยมาตั้งแต่เมื่ออายุประมาณเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ข้าพระองค์เนี่ยได้ธรรมบา ร, รดกของพระศาสดาขอมาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับพระศาสดาได้รับรู้ว่านี่แหละชีวิตของข้าพเจ้าไม่ว่างเปล่าแล้วมีมารดกทางธรรมของพระบ ร, รมศาสดามาไหลในกระแสใจตลอดเวลาข้าพระเจ้าจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่โลกิยะธรรมบา ร, รดกเพียงแค่นี้ จะพยายามไ ข, ขว่คว้าเอาโล ก, กุตระมรดกของพ่อมาชื่นชมไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นลูกมีโอกาสถามว่ามีมีสิทธิ์ในการที่จะรับมรดกของพ่อไหมพ่อจะไม่ให้มรดกคนประเภทเดียวคือคนทุศีลนี่ยคนทุศีลเนี่ ย, นนยต่อจะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพ้าเป็นเนเนก็แล้วแต่เนี่ยพ่อจะตัดออกจากกองมรดกหนึ่งอย่าทุศีล คําว่าทูดเนี่ยแปลว่าชั่วนะแปลว่าไม่ดีนะก็ไปมีอกุศลศีลแทนที่จะมีกุศลศีลไงเขาใจว่าไปมีเจตนาที่เป็นบาปซะนี้เจตนาที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะในการรักษาศีลอย่างนั้นน่ะพ่อจะตัดออกจากกองมรดกฉะนั้นต้องมีเจตนาที่เป็นไปกับกุศลนะอตอนนี้กุศลศีลเราดีอยู่ไหมดีไม่ดี สมาทานให้ฟังหน่อยได้ไหมอ้าตั้งใจลองสมาทานเนี่ยได้ป่าวเนี่ยที่ว่ามีศีลอยากดูยังอ่ะอ้าวชักชักยื่นไม่กันแล้ว <c oughs> เอวันนั่นใครให้ศีลเนี่ยจำหนาหน้าเลยอ๋อ ไ, ไม่ไม่ใช่เราจะได้ถามว่าจะได้ให้ครูบาอาจารย์เขามองหน้าเราไง ว่านี่งไงที่ราบศีลไปแล้วสมาทานทุกวันเลยอนะไรเงี้ย